แต่เรามาใช่ ว, ว่าพิจารณาคําว่าอนุปัสนามาแปลว่าพิจารณาเนี่ยคำวิงพิจารณามันจะคําว่าวิจารณ์วิจารณญาณวิจารณ์คือวิจารณ์วิตุวิจารณ์เป็นส่วนหนึ่งของอจิตตสังขารเรียกว่าจิตปรุงแต่งซึ่งมันไม่น่าจะตรงความหมายรามราก็หันมาใช้คําว่าตามรู้ตามเห็นตามเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในร่างกายและจิตใจของเราเรืองอนุปัสนา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 ืไรรอไม่เห็นยกเลยเลยก็เอ๊ะเห็นไม่บอิวาสร้างแล้ว ไ, ไ, ไ, ไม่เห็นสร้างแล้วจะเกิดรู้จักได้ยังไงเหสร้างไปเรื่ยก็ได้ออกันอยากจะเห็นชัดแ ท, ทุกคนก็กำมือขึ้นเนี่ยอะไรเกิดหนักหรือเบาแล้วก็ปล่อยนะหนักอยังอยู่ไหมแล้วมันดับไปไหน ท, ทันทีเลยใช่ไหมเบาก็มา ท, าทันทีเกิดขึ้นเวลาเรามีการกระทําเกิดขึ้นแล้วมีการหนักตั้งอยู่ไหมหนัก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 โซปอสติเธอมีเป็นผู้มีสตินั่เทียวขณะหายใจออกคือตามรู้ลมหายใจนั่นเองอันนี้มันเริ่มต้ตนตรงนี้นะทีคําว่าอาสสะสั้นตที่คังอาสสะทาบมิติปัญชานติเมื่อหายใจเข้าหรือ ก, ก็ให้รู้ชัดๆว่าหายใจเข้าลึกประสั้นตัวประสะทราบที่คําว่าอาสสะสั้นตที่คังปะสประราบมิติปัญชานติเมื่อหายใจออกยาวก็ให้รู้ย่าหยาคุณนๆไหเสียงอย่างนงี้ เสียงใครเสียง s k t ใช่ไหม s k <HK> t s k t ทำไมไม่นำมาย้ำอีกเพราะมันมีอยู่แล้วใน YouTube นมาไม่ต้องมาย้ำคุณอยากจ ะ, ะศึกษา HKT เพื่อเปิดใน YouTube s k t แบบสมุตที่บอ k t นะเหมือนทู่มันคุณเพชรเนี่ยตั้งใจทำจริงจังใช่ไหมแล้วปรากฏว่าได้ผลดีใช่ไหม <ทำ S 1> น, นั่นเห็นไหมเนี่ยมันจะต้องมีคนเอาอ่ะไม่ใช่ว่ามาสอนแล้วมันจะร้าผลนะ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 หน้าตาสุดใสแล้วก็วัยอายุหกสิบ่าแล้วนะใครจะไปรู้ว่าเธออายุหกสิบป่านั่นได้ผลนะทำแล้วได้ผลเพราะฉะนั้นต้องมีคนเอาบ้างที่นำเสนอนะอย่างน้อยก็เอ t เคทีคุณเพชรเอาไปทำจริงจังใช่ไหมเอ็กคทีสามอ้กคะอ๋แค่มเองเหรอเจ็ไม่ทำหนึ่งไม่ทำาโอ้หลวพ่อหนึ่งหนึ่งก็ทำสามก็ทำเจ็ดก็ทำบางครั้งสี่ด้วย เอ็กเคีสีทำไงชุดนี้ไม่ได้ภปยังวัดภรรามงเนาะเอเคเดินช้าๆใช่ไเดินตามลมหายใจนะเพราะฉะนั้นเทคนิคเดี๋ยวนี้เขาก็มาประยุกต์อนาปนานสติเนี่ยมันน่าทำขึ้นน่งสูบพรดลมหายใจใครจะสักพักก็เลิกแล้วน่าเบือ่อแต่พอมาทำเป็นทฤษฎีทำเป็นวิธีการแล้วอาจารย์สมพรอธิบายได้ละเอียดมากเนาะ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 โทรกับหน่อยใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นอานาปนาสติโดยตรงใช่ไหมเป็นบริกรรมแต่อนาปนาสติโดยตรงนั้นก็คือในบทส่วนว่าโซสโตอัสสติสตปูป ส, ส, สติทีคังว่าอัสสะสันโตทีคังอสสาาัสสะมิติปชาณติระสังว่าอัสสะสันโดระสังอัส ส, สะปะชานมิติปชายอยู่แค่นี้บอกว่า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 สัมปชัญญการีคือเป็นอ e ีบทย่อยอันหนึ่งดังนั้นพอเรามาทำสัมปชาสัมปัญญประภะมันก็ผนวกแรือว่าผนวกธาตุลมเข้าไปด้วยเขาะอินคลูดเอาตัวธาตุลมเนี่ยเข้าไปในนั้นด้วยในเรื่องของอ e ีบทย่อยนะ <S 2> <S 2> <S แต่ว่าที่ขยายความต่อมาอามาไม่แน่ใจว่ามันเป็นของเก่าหรือเปล่าขยายความต่อมาว่า ของเก่าของเก่ามีสใช่ไหมหายใจเข้าหายใออกสั้นยาวแค่นั้นเองมีแค่สี่นี่ของเก่าเดิมเลยนะแต่พอมาเปลี่ยนตโดมาบอกว่าสภากายะปฏิสังเวทีอาสัสา่ามิติปัญชานาติสภากายะปฏิสั่งเวทีปัสสัสมาติปัญชานาติปัสสะปัญกายะสร้างขณะอาสสซ่ามีติปัญชานติเอชักไม่แน่ใจว่าเพอพึงศึกษาว่าตามรู้กายทั้งปวงและหายใจเข้า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 ขณะที่เรารู้กายทั้งหมดได้โดยที่ไม่ต้องไปตามรุ่รลมหายใจเป็นไปได้ไหมรู้ได้ไหมอ๋ออันนี้คอนฟ u s อยู่นิดหน่อยคอนฟ u s i o n นะะเพราะนั้นก็อันนี้ลึกๆลงในรายละเอียดนะแต่ทีนี้เมื่อตามลมหายใจทั้งปวงขอเพื่ออะไรต้องถามว่าเพื่ออะไรข้อต่อมาเขาก็ไขยบอกปัสัมพยังกาอยะสร้างพลังอัสสัชมีติิปทํทำ เพอเพื่อพึงศึกษาว่าทํากายสังขารให้สงบระงับอยู่หายใจขณะหายใจเข้าทํากายสังขารเนาะกายสังขารทั้งหมดคือเย็นดอนอ่อนแข็งเท่งตึงอะไรต่างๆเนี่ยเป็นสังขารเป็นกายแย่สังขารแล้วทําให้มันสงบระ ง, งับเรานั่งอยู่นี่สมมติว่ามันหนักเงี่ยเราจะนึกว่าให้มันสงบระ ง, งับมันจะสงบระ ง, งับไหมไอ้ความรู้สึกหนักเนี่ยมันจะเคสงบได้มไหมทำไงให้มันสงบ ก็ ป, ปรับเปลีป่ยนแท่นั้นเองเนี่ยน <oh> ั่นแหละท่านบอกคือทํากายสังขารในสมคือปรับเปลี่ยนอิเยบทท่านก็บอกนะประสัมพยามกายะสังขารังอ um ัสสะมิติปสานิหายใจเข้าทํากายสังขารใ้สงบระงับหายใจออกทํากายสังขารในสมทําอาการของกายที่มันไม่พึงปรารถนาเนี่ยให้ม <|ja|> ันสงบระงับทําความปวดความเมื่อยความไม่สบายกายให้มันสงบระงับ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 ที่จะทำให้สงบสังขารสงบไอ้ตัวเร่าร้อนให้สงบงระงับได้อย่างไรเออถ้าบอกว่ามันปวดมั น, นหนักเนี้ยพอเราคลิกขยับมันก็หลบลมฮะฮะบลบยังไงคล้ายๆว่าอย่างอย่างอย่า ง, ง, งผมที่ฝึกฮนะผมสามารถสูรลมหายใจจากเท้าขึ้นไปถึงหัวแ ล, วแลว้วแล้วพอถึงหัวแล้วปล่อยเต็มที่ถึงว่าที่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 ตัวนี้มาถึงบอกมันก็เห็นด้วยนะว่าพุริยถาตัดไว้พุทิยาตัดอะไรจะสมเหตุสมผลเสมอใช่ไหมเพราะฉะนั้นพระตไตรปิฎกเรามีสังฆานามาหลายหลายครั้งสิบกว่าครั้งเนี่ยมันก็จะต้องมอีความเห็นตรงนู้นตัวนี้แทรกเข้าไปแต่เราก็วินิจัยได้ว่าอืมอันนี้น่าจะใช่อันนี้ไม่น่าจะใช่นะทีนี้มาดูข้อต่อมาท่านใช้ว่าปัจสัมพยังจิตตะซังารังอาสัสสิสามีติเสกติปัจสัมพยังจิตตะซังารังอาสัสสิสามีติเสก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 มันซ้ำซ้อนนะใช่ไหพอรู้มันไม่มีก็จบทำไมไปต้องว่าหายใจเข้ามา <c oughs> ตรงนี้ทำไมมาสงสัยนะทีนี้ต่อมาท่านบอกว่าจิตตประดิษังเวทีนี้รู้จิตเฉยเฉยจิตตปริสังเวทีอัสสสิ ส, สัมมิติสิกติว่าหายใจเข้าหายใจเข้าให้รู้จิตเฉยเฉยว่าจิตมันเฉยเฉยจิตไม่มีอะไรก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีอะไรจิตมันนิ่งนิ่งเพราะจิตนิ่งนงได้แล้วมันเกิด อ, อะไรเกิด อ, อ่า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 เป็นสมาธิจิตก็ให้รู้ว่าขนาดนี้จิตเป็นสมาธิซึ่งบางครั้งมันก็บางครั้งมันละเอียด เ, เ, เกินความจำเป็นเอามาก็ตัดไปบางทีก็ไม่เค้าได้มาสวดมันมีทั้งสิบหกอย่างนะเป็นฝ่ายกายทสี่เวทนาทสี่จิตทสี่อารมณ์ทสี่เป็นสิบหกสี่สี่สิบหกหรือว่าอากาปนานาสถิตสิบกซึ่งวนโมกเขาค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะยึดไปหลักในเรื่องนี้มากมเลยนะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายละเอยียดกันเยอะแม้แต่มาติดอารมณ์นิวรตอนนั้นเข้าไปถามหลวงพ่อพุทธทาสง่วงทุกวันหนึ่งพ่อผมจะแก้ไงก็ไปดูอานาปะนาาัชิชิม่ขันผมอธิบายว่านึงสือหลายเรื่มเราโอ้ไม่รู้ผมไม่รู้มันจอยู่เรื่องไหนหลวงพอ่อผมไม่มีเวลาไปคอ้อขนานั้นหรอกแค่บอกผมว่า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 นักปฏิบัตินั้นย่อมหายไปเพราะสามารถทําลายมานและเสนามานจิตตั้งอยู่ได้วิทูพยังแปลว่าทํำลายติทติตั้งอยู่ได้วิมาละเซนังวิวิวตูติทติมารแเซนสูโรวะโอภาสยะมนตริคติบางแห่งเขาว่าสุริโยบางเพ็งเล่มเก่าที่เขาว่าสู่โร อุปาสยญานติริคติว่าทำไรขัาว่ามานแ็นเสนามานคืออะไรคุณวิชัยนลวงพ่ออธิบายเรื่องนี้บ่อยมากเลยมานได้เสนามานคืออะไรพ้าคนเก่าไน้อดปรึกษาไม่ได้ถือว่ารู้แล้วนะ <laughs> มานได้เสนามานันบอกบ่อยบอกว่านี่วรห้าคือเสนามานันใช่ไหแล้วพญามานนะันก็มีห้าเหมือนกัน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 <laughs> เอออยู่ภาษาจุดอ่อนของช้างอยู่ที่ไหน <laughs> เออจะยึดที่ช้างที่แพลกมีช้างเยอะคงจะรู้จุดอ่อนของช้างอยู่ที่ไหน <laughs> ถ้าเราไม่มีขอเนี่ย <laughs> มีมีแต่ขอเนี่ย <laughs> จุดอ่อนรู้เท่าไหร่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นจุดอ่อนมันอยู่ที่ขออขอเหล็กนั่นแหละ <laughs> ขอที่ไหนมันยอมเลยนะใช่ไหมเ <laughs> นี่ยอ่อนมาอยู่ตรงนั้นนะ่ะขอเหล็กที่เขาใช้สั่หัวมันนะ่ะ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 ย้ำแล้วจําอีกตอกแล้วตออีกเขาใช้คําว่าใช้คําว่าทฤษฎีทำซ้ำซ้ำซ้ำใช้คําว่าทฤษฎีคุ่มองคำว่าหรือทฤษฎีทำซ้ำ repetition repeat again and again ตอกย้ำแล้วจําอีกพระพุทธเจ้าเป็นใช้คําว่าสาตัดจาการีโนทําซ้ําอย่างต่อเนื่องทําซ้ำซ้ำทาซ้ําๆอย่างต่อเนื่องแล้วมันจะสามารถผ่าได้เอง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 ระหว่างความคิดกับอารมณ์ออจากกันได้นี่เห็นไหมถ้ารักษาอย่างนี้เอามาว่า make sense คือสมเหตุสมผลนะ่ะถ้าใช้อนาปนานสติสติบแบบนี้นะโดยการใช้ตัวความรู้สึกที่ได้จากการเคลื่อนไหวเนี่ยรวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามาเรื่อยๆจะเคลื่อนไหวตรงไหนก็เก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเลประสมน้อยไปเรื่อยๆอันนี้เราจะต้องไป eyed, รวบรวมโดยเฉพาะส่วนใหญ่ ogether, ส่วนเล็กๆน้อยเราไม่ยอมเก็บเลยใช่ไ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 เราเข้าบัญชาไม่ได้ทํามันหายไปทไําไงก็ปรับเปลี่ยนแค่นั้นเองเนะก็ไม่ต้องมาเข้ามันก็เพียงแต่ว่าไม่ขวางทางอนิจจังอนัตตก็ก็สลายเมื่ออนานัตตาสลายต้องมาเข้า บ, บัญชามันไหมไม่ต้องเราไปทําลายที่เหตุเหตุของอนัตตาคืออนิจจังใช่ไหมเราประจากการักรไม่ขวางทางอนิจจังเสียอนัตตก็ไม่ปรากฏ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 ที่หลวงพใช้ก็ว่าพอเรียนใช้ก็อนเลยนะกุญแจใช่ไหมแค่นี้แค่หมุนกุญแจกลักเดียวเนี่ยทับสม บ, บัติในห้องกี่แสนกี่ลา้านใช้ได้หมดเลยเออไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นแค่หมุนกุญแจกลักเดียวนี้เห็นไหมอันนี้แค่ยกมือปปปปปปไปปอกไปแต่สามารถใช้อะไรทรัพย์เปิดคุ้มทรัพย์ในจิตในใ จ, ใ จ, ใ จ, จออกมาได้หมดเลยนะแต่ขอให้ตั้งใจทําแล้วก็มั่นใจ อย่าไปร น, นเลยสงสัยส่วนทําไปแล้วมันมีอุปสรรคปัญหาอะไรมาในเสมาทั้งหลายม า, า, ยมาทําไงก็แล้วแต่วิธีการเทคนิคของใครของมันหาวิธีเอาเองก็แล้วแต่แตหาวิธีไม่เจอก็รับกรรมไปก่อนตัวใครตัวมันเนี่ยแล้วก็นั้นนะก็ขออนุโมนาสาธุนะตั้งใจที่เราทั้งหลายจะศึกษาและเรียนรู้ให้ทะลุปู่โป่ปงจนสามารถได้ยอดวิชาไปแก้ปัญหาจน หมดปัญหาด้วยกันทุกคนทุกท่านที่